โปรดไม่รับทาทุกคนไม่รั <c oughs> บทานเมื่อเด็กท่านจ่าทุกคนทุกท่ายรังมือกลังทาธรรมะวันพรนนะทุกห้าท่าเดีอนแปาเแล้วเป็นวันที่ละแวงหาพระคือธรรมะใใใเมะเื่อวางใจทั้งยาวพื่เป็นการปฏิบัติธรรมแวงทุกคน ตั้างใจช่างความดีให้จา ก, กนตนสร้งใจหาที่เพึ่งคือธรรมะประจําจิตประจําใจทั้งแต่สุดมหมายต้องการใช้ธรรมะอันนั่นมาสอนตนสอนตัวเองอย่างนั้นจึงมีประโยชน์มากหรือเกินทัานสาธุที่คนที่ร้างทั้งหลายวันธรรมศโทนะเป็นวันฟังธรรม หาแสวงหาที่พึ่งให้กับตนเองเป็นประโยชนานประจําจิตประจําใจของท่านต้อโยอมหยมิย่งเย่อทายทุกคนแต่เป็นที่หน้าทู้ตาเสียใจกำลังมันค่าทั้งในชีวะหลังตั้งคิคดคาโพลิสเขาไปไหนเขาก็แสวงหาธรรมะประจําจิตเชื่อหาที่พึ่งทางใจ แต่เสียใจว่คนไทยไปหาบุญเข้าวัดไปหาบุญไม่ไปหาธรรมะเงินมากมาเยเกินเป็นที่นาทิดาควมที่ดีมีปัญญานั้นจับทางพระพิจเจ้าแสดงโดยชัดเจนพระพิจเจณารงแสดงเห็นทัตุธรรมะคือธรรมชาติคือมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะเขาอื้อ เตชาติอาตรณ์ ก, ก็เป็นธรรมะถ้าเราคิดได้วัคคีอุตรมันเป็นที่แสอนเราและที่พึ่งของเราที่ใครสอยเราก็เห็นเป็นธรรมะแต่ที่จะมากล่าวขั้นตอนนี้ว่ากระหลังมันฆ่าดวงวแสวงหาธรรมะเพื่อช่วยชีวิตเขาหาที่พึ่งทางใจของเขาแล้วก็ช่วยตัวเขาหน้าสอนตัวเขาได้ เงาีเขาจะดูมืดแค่หน่อยแต่คนไทยเดี๋ยวนี้ร้อยละก้าสไปส่องบุญไปส่องบุญตามวัดไปหาบุญแต่ไม่หาธรรมะท่านผู้เป็นตลาดผู้มีอจอมปัญญาโปรดคิดได้หรือยังคือเขามาบวชกันเจ็ดวันสามวันสิบห้าวันเขาไม่ต้องทำอะไรเขาบอกบอเมเขาบอกบวชเอาบุญแค่หน่อย อไม่ได้ส่ยาหาความโดยการทมาเลยนะมือมากร้อละเก้าสิก้าเอาบุญไม่ต้องทาอะไรก็ให้มันได้บุญ้อยากจะโยดบุญจึงแล้วก็นอนนอแล้วก็ตรียมบุญอันสำคัญยุทและเใจละถึกหวังคาว่าบุญนั้นพิ่งนอนถึกบุมาสุบาติตาค่ายู่มาก ไปตามว่าตามวาไปสยัสดีบุญให้บุญมาเครื่อนใจเสียนายเสืยใจเยอะตัวเองขาดการช่วยตัวเองน่าจะเข้าแหวนหาธรรมะบางแห่งมาที่กุฏิธมาเยอะบางโยมไปฟางที่ใจโจนเด็กขึ้นหน่อยว่าเลี้ยงลูกมันจะเลี้ยงเลี้ยงลูกมันจะสวยเลี้ยงลูกมันจะดีเลี้ยงลูกยังไงลูกโยมจะมีปัญญาเป็มร้อกเตไม่ฟังจับ ทำลาจึงวิทยามีผลชีวิตไดอเขามาฉวงบุญเท่าน้ำไม่เคแฉวงความดีในธรรมะแลยให้ึงไปลดทพื่อทเื่อไปหาพระเถือนที่ข้ามว่าฉวบบุญแตกลับมาแล้วมีแต่ความทุกข์สามีภรรยาให้มีความสุขโลกเถื่อนพอเถื่อนแน่ตามมาอ้อละลกในทุกทาง ยนาะก็ไปแสวงบุญหยาบม้าตลอดมาบวชเอาบุญก็หน่อยนี่มายานเชิญมาอยากจะพิมพ์มาบวชก็บวชแค่เจ็ดวันบวชเอาบุญก็หน่อยแล้วก็นอนเจ็ดวันแล้วก็ได้บุญไปมากอย่างวนี้เข้ามาบวชเอาบุญก็นะโยมนะะไม่ได้บวชหาธรรมะไม่ได้บวชแสวงหาชีวิตที่แน่นอนยอมผู้แสวงหาธรรมะเกิดไฟนะ จนหลวงแม่คือผูกมิ้นมาเตรียมยานคือพระหลังมาจังหดจับกาลังจุนได้แล้วก็เอามาพูดคือแม่คือพระหลังมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแต่แย้งหาจะทำน่ะไม่ใช่เบื่อชีสแยงบึงคือมาทือก็ไปเบื่อกระลาบปากติดจากชีเนี่มาเอาหนื่ยป้าหลวาแม่เอเกินท่านลูกมีปัญญาโปรดคิดได้ไหม มาวัดให้บ <os> <m í rus> <m í rus> ุญเพื่อทั้งนอ้นน่าจะสว่งธรรมะเหมือนสลงมบะถ้าเราบืชตรงนี้บวชเอาบุญนะทั้งนั้บวกไม่ได้สร้างกุศลแต่บวชไม่ได้ผลงานบวชกินละกันนอนได้บุญมากวาดวัดทำสุจรัดเป็นบามันจะเป็นบากเลยกินละันนอนให้ได้บุญมากๆแล้ว็ระดุจป ความใช่ใจจะมาแทนที่สร้างความดีไม่ได้นีและนะบวชเอาบุญกันเยอะนะตามวัดโยนไปเห็นได้ติดไปแล้วเมายาวเมาเยือนติดแล้วก็ให้สร้างต้นสร้างตัวสร้างครอบตัวให้กระตุ้นให้หรือแสวงบุญถูกป้องโยนมาวัดกันก็แสวงบุญถูกป้องแต่แสวงหาความดีไป็นพ่อพึกในธรรมะ ไม่เคยมีใครมาหาเลยแม้แต่พ่อเลี้ยงมือมากนื้่น้อยทุกวันนี้เป็นช่าเสื้อผ้อย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าบุญนั่นคืออะไรโยวมาถวายฉลองทานก็เป็นบุญแต่บุญอยู่ตรงไหนจากบุญให้ได้บางทีภรรยามาถวายฉลองทานมานั่งกรรมฐาน ถามมือไม่เข้าใจก็บอกเอาบุญให้ดูที่เรื่องาวเป็นอย่างไรเธอไปทําบุญเสียกับการเปล่าดูกาะบุญเป็นอย่างไรว่าภายหลังอภัยันกลับมาเอาบุญให่ดูที่บุญจป็นอย่างไรไอ้สามมือโผก้องของเขาตัวธรรมะเนี่ยมันมีตัวตงโดยธรรมชาติทำดูมันก็ได้อดทำทั่วมันก็เดื่อดทาตัวลอดปลอดภัไม่มีกำกับอย่างไร คตัวบุญแห่งธรรมะบุญที่แน่นอนก็คือตัวธรรมะคือนี้ความสุขในครอบคือไม่ทะเลาะกันบุญอยู่ที่ไหนธรรมะที่แสวงหาได้ถึงจะเป็นบุญคนที่ไม่มีธรรมะมือจะบาปกรรมไม่มีบุญไม่มีวาชนะจะแสวงหาบุญกันทัวร์กันเท่าเลยนะถึงวันเสารอาทิตเข้าไปทัวร์การ ในเช้ามาปมุดเลยอยกไปไหนไปช่าาพวัดไปสอแหวนบุญแต่ลวมือไหเหัถามมาพ่าได้สะวนว่าฉันไปถามมือตีในทุวันเลาะแตแต่เราก็อยากจะถามโยมย้อนไปว่าไปหามาปาดวัดแล้วดูเถอยังถลาอันนะก็ยังถละอันอีกไม่ลดบุญเสียใจด้วยองกับขอหวนบุที่ไม่สูกทางมาอันเยอะนะอยากได้บุญ จ่าลูกมาฟาบปวเราบุญไม่ต้องทำอะไรวันนี้อดไม่ต้องเพาะวันนี้มือเครื่องพร้อมไหมฉันจะเอาลูกมาบวชจะเอาบุญอ๋อบวชกินกันนอนแล้วก็เป็นบุญนะเป็นประโยชน์แต่บุญจ่ายโยนก็ทายบุญไม่ออกว่าบุญนั้นคืออะไรเพราะว่าความสุขได้มาจากธรรมะถึงจะเป็นบุญใช่ไหมถ้าไม่มือธรรมะโยนจะไม่มือความสุขเลยนะ ความตกที่ธรรมะเรยจะทำละใจทำใจให้เป็นปกติทำใจให้สงบทำใจให้สาบายปัญญาเปิดนั่นคือตัวธรรมะถ้ายอมไม่นสนใจไม่คบธรรมะจิตใจมันจะลางลหลไปสู่ที่เร้วตอลอดเลยการมืหรือตัวบุญตรงไหนความตกตรงไหนละ่ะไปเที่ยวกันเชื่อเลยทัว่ประเทศไปหาถ้าวตือพดีตั้งนอน ทั้งพ่อทั้งแน่ทั้งลูกก็ที่น้่นและคณะปฏิปันนี้ที่รักหนแล้ว็จะเอาบุญมาเชื่อโยงอาชง้อโปรดฟังฝรั่งมหาธรรมะคนไทยมหาบุตรจับเลยๆเข้าใจคำนี้ไ้ยอาชง้อเข้าใจไหมคะเข้าใจจำเลยจับแล้วกัคนไทยแช่บุญฝรังแช่ธรรมะธรรมะมหาบุญป่าชิโตกลับไปบ้านทะเลเอาเสือเมีย ตรงนี้นี่มาเป็นเพื่อนแบสายที่เดี๋ยงนี้ละทิพย์นามเนี่ยไอ้พาเวื่อยเราตรงนี้ใครเอาของประตูปัญญาเราไม่อยู่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาเจ้คุณธรรมเทศนาอาจารย์ใหญ่มาทาใบไม้น้าพาคอายุหกปีจะไปคลายความหลังเมื่อท่านเป็นมหาเถรเชื้อเรื่อนธรรมบุตรายวายอุทิศให้ันตายของข่ามวันจ่น และคนนี้ณว่าจะิดถ้าใครบิดูบีู้ไทะโลกอยากให้ใครดมาถวายมาคณะสามสิบคนจเครื่องปกะหัด่คณะสองอยากให้เอาบุญกันนะอวชก็เอาบุญกันมาตั้งเบี้ยหน้าทายสุดลักบวชเอาบุญนี่มาวางไว้นี่ะโยนหลวง่อะเอาอยู่เอาบุญเค่หน่อยาบวชแค่เจ็ดวันแล้วก็ให้ยงอยู่นั่นทาอะไรนะจะเอาบุญใหญ่มากบุญสา้อตูกว่าใครบ้านด่าอะไรมีหรือบวชเอาบุญ มือจว่าม่ใช sort of ่มอบวอาบุญไม่ใช่เข้าวัดมะขอฝากกวด้นะเอาไปช่ดกันช่ดกันมาว่าตอนอย้สอนเอาให้ทำมะให้มือลูกเป็นคนรูทำมแธละวาโลกไปพิถีสอนลูกให้ลกขึ้นตระเได้นี่คือธรรมะเราเป็นพ่อทำไงสอนลกให้ลูกขึ้นตระเวนได้เราเป็นแม่ทำไสอนลูกทำไงสอนตระเวได้ ตนหงขาก็ได้ในมืเชื่อใจได้รัิชอบไงนี่ถือธรรมะไม่ใช่ไปตลอดตอดไอ้ชื่วัทอักมอบุมาเยอะแล้วมันนั่ขลันะไอ้ือสร้างพระประธานลงทุนสามแสนมือลงทุนมืนสวยกว่าพระสงสามมืพระยาพระตาเลยสั่าแต่ของมืท่ากายมันตายใช่เลยเขาให้สุดอไเลยเดี๋ยวนี้อายุเกิดสิบกายังไม่ได้น้อยในกเล้ยง ข้าพระราอบุญนีเหลยค่ะพระปรคานอบุญบุญอยู่ตรงนั้นเหรอทะเลาะกันไม่ได้นอนด้วยกันเดียวเหนื่อนีมือกับความทุกข์่หลือบุญอันถุกต้อข้าทะเลาะแค่ถามมือกับภรรยาคู่นั้นไม่มีธรรมะเลยแม่กับพ้อเดียวเนี่ยจีนเีบวชอบุญกันมีมายเนี่บไม่รับเดือเจ็ดมันายุสอก็ต้องอยู่วัดหลายวันเราจะได้อะไรอบุญหน่ก็ล้วกันหลวงพ่อครับนึกว่าสงพร ไม่ต้องทาอะไรก็ได้บุญไปเยอะๆ้าเยอะไม่ต้องกจากจะมือ้ากก็หลังไม่ก้องสางให้มันงาวเองได้ไหมไม่ต้องสร้างเอาบุญมาให้สร้างบ้านไม้เอเอาที่อายุบาแตายรับไม่ไั้อันนี้ไม่รับนะมันจะเสียชื่อสาสนาเราพิจารณาสอนให้เราเพื่อตัวเองใช่หรือม่นั่นคือธรรมะแต่คนไหนไม่มีธรรมะเพื่อตัวเองไม่ได้เลยเพิ่มทัพอภิาลไปกันแล้วก็เอาสายเกี่ยงไม่ได้เด้ย สอนตัวเองไมได้ก็ทําไปหมปุนไปกลาวพอแม่ต้องตามให้ดูเรื่อยเลยหน้าพิาาลัย ม, มากมีหรือโบ่กลับไปบ้านทะเลาะกันธรรมะเราจะยขึ้นตัวเองได้เคื่อนตัวเองได้สอนตัวเองได้เรียกยจะธรรมะโดยธรรมชาติาาที่เป็นใจสอนการปฏิบัติต ท, ที่พัสนากรรมฐานต้องการขึ้นตัวเองตองตามจะช่วยตัวเองให้ฐานหนดูขึ้น ของการจะใช้สต the er so en. ิปัญญาคือกําหนดจุดเลือกการสอนตัวเองบาปนั่นคือศูนย์ธรรมาทิปัญญาเรียนกรุปแล้วเลือกว่าธรรมะท่านจ๋าที่พ้นโสดศึกษาเถิดอยับไปเสยที่โสอย่าไปแสร้งบุญอย่างที่เขาไปแสร้งตามแสรงบุญกลงเลยมีเงินพักขาดไปขาดทาบุญกลับไปท่างคุณกําไรไม่มีเลย เงาหรือทำบุญเป็นตัวขอนที่ไปทำบุญโดยที่นาที่บาเยเติมพ่อจาประคุณเลนือม่จะระคุณเนือนาวันน้มากที่สวงบุญแต่เสียใจด้วยนาจะหาธรรมะที่ตัวเอนให้ลูกเป็นใหญ่เป็นโตสอนลูกให้รวยสวยงก็ได้เรื่องเป่านาเป็นใหญ่เป็นโตไม่สนใจเอาลูกมาบวชให้อยู่เฉยเฉยแล้วเป็นบุญ โยม อ, อยู่เฉยๆจะมีบ้านอยู่ไหมทำไมปลูกไม่ช่ธรรมะระยว่าสร้างฐานะธรรมะเระละวาสร้างสรรธรรมะระยกวัดสรรธรรมะรียกว่าสร้างตัวสร้างตอนสร้างก็ควรให้อยู่เย็นเป็นมมสุขเป็นธรรมะแห่งธรรมะตรงนี้มีความสาคัญนิดหนงนะ เลยอย่ามุ่งเรื่องโลกเถียงผอเสียงแม่ธรรมะตกมาพเป็นบุ่เหลือเกินคุ้มยอมเป็นมุ่ที่สุดและโลภเสียงผอเถียงแม่ธรรมะตกมากไปไม่ลามาไม่ไหวมารยาทเลยเป็นบุ่ที่สุดโยนท่าใจลูกประเภทนี้ธรรมาก็เดินความเสียใจกับโยนด้วยที่ขวบบุญแยาจะหาธรรมะสักแค่เดียวเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อเอาบุญแห่งความศึดที่แน่นอนและถูกต้อง จะไม่มอเอวาดได้แล้วอาตมาเหนื to, ่อยยากไม่ไช่ว่าย้วนก่ัไปจังหวัดการแขนจะเหือยลังเมก็ไม่บนกลับมาจะมาสอนทานักเรียเข้ามาเป็นลอยๆเห็นหมครับเข้ามากันมากมายอาตมาบวชหน้าตาบวดหน้ามาวนเนี่ยคมไม่เจอบวชเอาโดนตาบวชช่างเลยทีเดวบวางตัวชางตัวให้บุญตัวชความศพแนละ จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวกาฏหายโยมไม่ชอบไม่เป็ไรไปฉลองดุกันต่อไปลูกม่ต้องทำอะไรนะบวดเลยดูเฉยบวจะเป็นบาปบวจะไม่้บุอย่างนี้ก็แย่เลยที่มือบวเอาบุนกันมีอหลายจแพ่ไม่ต้อททำอะไรตัวนี้ก็นอนบุญสมคุนและประโยชน์ตไปนี้จะความท้อมือจะอดแห่งกรมหายอย่างนะ้ให้นักปัดหลังไปสุกดา แล้วที่ตกมือเปนบุญเป็นตัวาเป็นเบื่อเก็นเช่นมือนะถ้าเป็นลลกยอมสะพานใจนะบวชอาบุญเถอะจะเบื่อวัดไหนก็ได้โูกแล้วไม่ต้องทำอะไรเป็นบาปบว่ได้นอนนะคุณนะจะส่งแา่จะส่งคำลักไม่ต้องสร้างคือจะวัดไม่จะสร้างธรรมะไม่จงเขวยหาธรรมะมือจะเพริ้ลลักอาศึกที่จะเมินออกมาได้อย่างนี้ทั้งนั้นมัก่ายมักมายเรียงบุญ ฮะคนจะโยชน์ประจําชีวิตประจําสุดประจําใจประ จ, จ, จําครอบครัวไม่ได้เลยเลยเป็นบ้านอาภโมคณรับรองบ้านนั้นไม่มีผูชนบ้านนั้นไม่ต้นใหญ่ต้นโตถ้ารับราชะการหรือแม้จะโดนขอขวัญอยู่เสมอแต่เป็นมักที่รับจุดการฆ้าจํะไม่สำเร็จชีวิตของแต่เป็นพ้าท้าแม่าขายจะไม่ได้กําไรตามที่สุดเคยของแต่นม้จะพาขายได้เงินได้ทองมากมายขายของจะเปิดให้อยู่ มันก็รไหลไปไหลรูออกไปไหลจะถามพี่ยัเงินพไโยม่หรือตั้บุนไปเกอตรงนั้นมาโยนไที่คนทั้งหลายเลยมาถึงลกเจอก็หลามเยะมาขยหาจะธรรมะจะนไทยเท่าวัดขยายบุญตามกันเะเลยไม่มีธรรมะจะเกิดบุญได้อย่างไรไม่มีความรู้ คืรู้ิใจไม่เป็นปราดไม่เป็นนักปราดมาเป็นกุลเอดวิชาเอตก็ไม่มือมือจากวิชาจากพระาไม่ได้ชอบอะไรเลยเะแล้วทำทั้งหลายเอจะเป็นใหญ่เป็นโตลูกท้าจะดูได้ไหมนนะอแทนตามพี่น้องเอตขอฝากไว้กับผู้พ่เดียววันนี้ตามมือจะวีชายการคิมามือสามมือต้องเป็นของเขาหมดมือทรรยาต้งมือชู้ ออกมาในกฎแห่งกรรมถ้าเสี่ยงหัวหนอมันจะหมอกในยายนี้กาลังมีอชูขอประทานภัยเรื่องจังหวะถ้าเกินเขาเหตุกฎแห่งกรรมของสามมือคือการความหายยะนะไม่ดูม่อต่อภรรยาภรรยาไปเฉลี่ยกันมือสามมือยังไงก็เป็นข้อเขาไม่ใช่เป็นข้อไหนออกมาในกดแห่งกรรมแม่กรรมฐานจะรู้ดะถ้าเท่านา้นแม่กรรมฐานเอาบุญเขาจะไม่ดูอะไรเลย ไมู่อะไรเลยก็ไม่แสวงหาธรรมะกำหนดจุดก็เหมอตมาที้งู่เสมอมาคนแสวงหาธรรมะให้จำมีอย่างนี้ไอ้คนก็ไปแสวงบูรณาจุดวิปัสสคาขอบจุดมาขอบ่าขอบจดเท็จขอเติดยอบคายาเพื่อเลิคนที่มีธรรมะงานจะให้สงบเยือจิตใจจะทาอะไรก็ใจกลองจะทาอะไรก็ทานองทำ ไมื La ่อติดควบคุมจิตไว้ได้นั่นคือเสถียรธรรมะธรรมะแปลว่าศูนย์ธรรมะคืปัญญาเฉลุเป็นธรรมะพอละลมอเรียกว่าธรรมก็ยังไม่เป็นธรรมะถ้าปฏิบัติทมได้สายชะละอะลงไปเลยเรียกว่าธรรมะแปลว่าจับรวบแบบได้แล้วแปลว่าทำจิตเป็นกูศลได้แล้วแปลว่าทำความศักดิคือบุญนั้นได้แล้วก็เกิดวาจาหนาในบรรดาลูกจะเป็ใหญ่เป็นโะ ลูกขายลูกขายก็ออกน้องจะไม่เถียงพ่อจะไม่เถียงแม่ไปก็ลามาก็ไาวพ่อแม่สวยหน้ารักทุกคนคือลูกของบ้านนั้นขึ้นอิสระคนที่มีอทำแม่ชอบบุญแม่ลูกจะเอาดีไม่ได้ลูกดนไม่ได้แม่แม่แม่น้องที่สุดร้อยเปิดส้ดโยมจะเสียใจหรือดีใจเหมือนโยมปลูกบ้านไว้สวยอยู่หน้าทัศนาชม แต่ไม่มีเครื่องเฟอร์ิเจอรประดับบ้านจะสวยั้มดอกไม้ก็ไม่มีระดับเหมือนมือก็มือไม่มีจะตัดโตมือก็มือไม่มีดอกไม้บูฉากไม่ครับเหมือนมือเลีไม่ได้ปริญญาไม่ได้ความมือเป็นเครื่องเฟอริเจอรประดับบ้านใดยะท่านอบอย่างนั้นก็ตามจะโยนบังคับโยมไม่ได้ตารตาบ้านใหญ่สวยจริงแต่ไม่มีเครื่องเฟอนิเจอร ไม่มีเพื่องประดับบ้านมันมีลูกมาดูดีไม่มีลูกไม่มีเครื่องปนะดิษฐ์ไม่มีปริญาไม่มีความใจของบ้านนี้คือลูกยาโยนได้ลูกอะไรก็ตาใจนะไม่ว่าอะไรความนี้คือเกิดธรรมะไม่จะไปฉลองบุญกระทือกระทั่วไปกลับมาทะเลาะกันไม่เคยบุญเพราะขาดธรรมะมันจะไม่เป็นบุญขาดธรรมะจะไม่มีประโยชน์เงไม่มีอาตาสมัคร สมบัติทั้งกองจะไม่มีเหลืออยู่ว่าไหนเลยว่าจะมีอุถุสาสมบัติที่จะเือเหลือประชาชนในครอบครัวของกได้ท่านกรรมฐานโปกฟังอะามาเธอที่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องการแสวงธรรมะธรรมะของท่านที่จะได้เจริญกรรมฐานต้องมีสติและจิตใจอย่าเอาไอ้สติแลจิากนะ ถ้าพูดมา่าคนนั่งว่าควนี้ปากดุไปดุมาตาก็ะเหลียกไปกะเหลียมาพรอนคนนั่งพรอตควนี้ถามเอาหูบ่าคนนั่งหูโผอาูกยันยึดเอาตาไปคลอนข้าอย่างนี้ท่านหรือไม่ธรระถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆได้ธรรมะแล้วนี่มาปฏิบัติธรรมนะถ้าได้ธรรมะแล้ว อาจจะรู้ตัวเองล้วอ๋อต้องเอาสติและจิตใจใช่ไหมถ้าจิตใจท่อมดีมีการควบคุมจิตก็มือธรรมะจะจําใจคือก็คือสัมปชัญญะม่ลดละพลังงานนั่นคือตัวธรรมะไม่ใช่ตัวบุญที่ไปบุญบาปทีตัวแลกลับไปนะแม่พี่ยิ้มมาหน้างามาถามเยอะสี่วันกลับไปเรียกหัวมาสอนเพิ่งได้ยาตพิงเอ็นมาใส่ถ้อยยาทําเอ็นมา นี่โ๋ยบุญบุญเขาไม่ใหญ่อย่างงั้นธรรมะเขาไม่เคยสอนเสือแล้ธรรมะเขาไปทำตัวอย่างให้สามีดูสามีเห็นได้จักเธอเตงใจภรรยาจะสร้างความดีให้ภรรยาเพิ่นขึ้นรงน้ือเถียธรรมะไม่เสถบุญอ่าชุ่ชนเดี๋ยวจะมาหน้งามมาถามคือวันเสือจะกลับมานั่งจะมาถานคืวันเสือจะเลิกกช มนั่งกรรมฐานตื่นวันเสือจะเล่นสิ่งเล่าถามกรรมนาเป็นปัญหาที่โลกไรนี่หรืออวชาถ้าแยงตัวหญิงหนีธรรมะจึงแหวนหาธรรมะเหมือนฝรั่งแล้วแหวนมีโกโปรเขามาไม่แวนบุญแล้วเาแหวงธรรมะเดี๋ยนี้เขามีความตกคือบุญแล้วถ้าคนไหนขาดธรรมะคนนั้นไม่มีบุญวาฒนะแลจะมาหาบบุญช่วย อาดอกไม้ท so. the th like? like ุกเพียงมาให้วพ like ่อดำช่วยไอ้หลวงพ่อเราถืนช่วยวัโยวัตชนช่วยแต่เสียใจด้วยหลวงพ่อเคยบอกอรรมาว่าช่วยไม่ได้ไอ้คนมาขอเนี่ยมันยังช่วยตัวเองไม่ได้หลวงพ่อไม่ช่วยมันเนาะหนี้ยมมีตารงหนึ่งพันบาทไอ้ช่วยเพื่อนห้าห้าร้อยบาทเหลือห้าร้อยัตเพื่อนก็ไปถลุ่หม แล้วมาขยิมใครข้าเราหมดพันรักเพื่อนก็ขลุ่มหมดทั้งเพื่อนทั้งเราหมดที่พุ่นทั้งเพื่อนทั้งเราหมดที่พุ่นไปรพึ่งใครหาคาตอบได้แล้วเราจะเชื่อใครต้องให้เขาเชื่อเองได้เราเชื่อเองไม่ได้ดอกไม้เพียอนไปว่าหลวงพ่อวิเชโยหลวงพ่อวัดวทิรหลวงพ่อจินดาหลวงพ่อละลายถึงหลวงพ่อวัดดอนร้อหลวงพ่อวัดดอนคล้าวหลวงพ่อเพื่อหนูด้วย หนูรวยๆตอนหนูจะมาสร้างอาหานให้เสใจด้ว่อยทำไม่เชื่อหรอก็ตัเองเชื่อตัวไม่ได้น่าจะแสวนหาธรรมะเราจาจุดประจําใจประจําบ้านประจําเมืองไม่ทายเถื่อแทงฉวะิดสามารถแผลงฤเป็นแพทย์เป็นเศรษฐีได้ชตัวเองแปลว่าธรรมะคมานั่งก็มาถามป่าจุ๋มาหาธรรมะเรื่อไปไม่นมาอยู่สองวันหนีไรแล้ว ยาค้าเนี่ยมาบวชเกือบวันย like ังไม่ชันได้ทำมาไม่อนีแต่ชีดวงเลยไม่จางลาเลยมีบวชละบนไม่ได้ยไม่จงเลี้ยงเลยให้มันรู้เองเวลาอยากจะได้บ้านทั้งหลังก็ไปนั่งหลับตาเขาให้ในบ้านเกิดเองนั่งอยวัตรนายเสียบมาหายเองเสียใจสำหรับจะหวงบุญชนนี้ขอานะทำไมฐานด้วยนะำวบุญหรอถวบทำนะเอา ทั้งหไม่เอาชอบให้ฝึกแล้วตดปาเชอบพูดนะจุนเล่าก็หมายจุนน้อยนอน้อยคุกน้อยทำความเพียนมากให้สวงามธรรมะความที่สวยงามบุญก็จุนนจุนเร่ยกภัยปะหลาดเอามาใส่บาตรอบทำบุญไม่จองหาธรรมะยกก็พูดมาพูดยาพันเทาความหลังเอาเรืกล่าวมารื่อซื่อหลงเห็นในที่ที่ชอบไม่ชอบที่ชอบไม่รับ อ้ายูเป็นความสันแต่เปนบางเดี๋ยวนี้เป็นความจริงไม่ใชอนาคตแน่นอนกลับมั่นธรรมทาจะผิดหวังยนจะเสียใจตจหาดทีวีถึงลุกหลาเนี่เป็นธรรมะไม่ใช่พระสอนอิสลาิธาหนูสอนไตามทีวีไปเฉยไ้่ยมนะไปไม่ยอมไปเจ้าขาดธรรมาจะพาไปนิทานไปไม่ไปเจ้าขาดธรรมาว่าไปไม่ได้เจ้าขาดพระบาทเจ้ก็ปก่อเจ้าคาด เธอมนุษย์มบัติมอหกงไม่ได้จะไปเข้ามหาวิทยาลัยดเลยก็ไปตามขั้นตอนของธรรมะคนเราเนี่ยไม่ข้ายธรรมะอยากให้ลูกสอบเอ็นคาบได้อยากให้ลูกสมดยรแต่ตัวเองพ่อแม่ไม่เอาไหนเลยไม่ได้สร้ความดีกับลูก t h ่ทำถูกให้กับหลานเลยรักก็ไม่ถือวิธีทความไม่อให้ลูกถูกต้องหรือ นี่คือปุถุธรรมะมาบวชชีพราให้รวยก็หน่อยบวชชีพราให้ขายชื่อด้รับรองขายไม่ได้ถ้ากล้าทำมะไว้ในใจครื่งได้นะชื่อดินเรื่องเนืเรื่องค้าขายเรื่องเม็กนะเรื่องธุระก็เรื่องเล็กรับราะการก็เรื่องเล็กงานก็เดินเงินก็ตามงานก็เดินเงินก็ตามนี่คือปุถุธรรมะงานก็ไม่เดินไม่อยากทําเงินมันก็ไม่ตามมาหาธรรมะไปไหน จะไปเยงจุ่งไหนจะไปสวยจุงไหนจะดีจุงไหนด่าอะไรเหลือใจแทนโยมวบุเงินบาบุญเลยอะวาบน้อยอะไรเลยมตงิจะวดูไให้ดูกิจวัดูบ้านมองดูให้ีความสะอาดดูายดูที่อาหดูหญิงดูที่มีความอาผู้หญิงไม่นดูผู้หญิง พุยุ่งชื่นนาตัวคือพุยุ่งอยตามใจตัวพุทธายที่นนาตัวือพุทายไม่เกณนใจคนขาดธรรมะเป็นเช่นนี้ขาดธรรมะจึ็นตามใจตัวไม่มีปีเลยพุ ăng, ยุ่งช่นนั้นดีไม่ได้เพอุทายไม่เกณนใจใครเลยดีตรงไหนม่ต้เกณนใจมนุษย์มนาเกณนใจผู้บังคับบัญชาแ้ทำจะดีตรงไหนไปชื่นนาตัวพี่สดคือชายที่ไม่เกณนใจัว นี่คือธรรมะใช่หรือไม่คนมีธรรมะเขาจะเป็นโมกเป็นใจกันแล้วก็มีธรรมะสามมมีธรรมะจะให้เกลียดตภรรยา嘛ภรรยามีธรรมะจะให้เกียรสามมืออย่างเสูงนี่ตัวนี้คือธรรมะไม่ใช่วาหน้านมุญแล้วก็สามมือภรรยาต่างคนต่างให้เกลียดกันแล้วทุกคนก็ให้อาภัยกันได้สามมือท่าภรรยาก็ให้อาภัยกามมได้ภรรยาท้าพลั้งไปบ้างบางประการ สามมือก็ให้อภัยได้ถ้าใครเล่าตรงนั้นหาคำตอบได้แหละคือให้เกียดกันอย่าเหยียดหยามไปโกรธทุกขได้หรือไม่หลังไม่ีก็หลังมามาวานไปแหวงหาธรรมไปไม่ทีใครไปแหวงบุญไปบุญที่โน่นไปบุญที่นีกทัวร์ไปตัวร์มาหมดเงินในในยาในกระเป๋าแล้วก็มาเรื่องลูกหลานให้เอาเงินมาให้คุณยาย คุณยายจะสร้บุญคุณบวชทีมาต้องอยสุดีไม่มีธรรมะมีแต่บุญตช่วยโกบอวเงินเอาหลานไปขอเงินลูกหลานมาไปทวบุญเสียใจไม่มีความอุ่นใจให้กับหลานเลยแม่ก็งอยนะไม่ทีนะขอฝกไว้เดี๋ยวนี้มาบวชเป็นพระก็บวชเอาบุญไม่ต้องทำอะไรไม่สร้ยหาธรรมะมันนึจะวัดดูระให้ดูถึกจะวัด ดูบ้านเมืองให้ดูที่ความสะอาดดูชายดูพืชอาารในธรรมสัมมาปฏิบัติดูหญิงดูที่ความละอายฮิลิโอตตะผู้หญิงต้องมีหิลิโอตตะมีความละอายมีความเต็มตัวต่อบาปทุจะรดตติจึงตามคือแม่บ้านเธอหากากแม่บ้านการเรือนใช่หรือไม่ไปขอลูกหรือลูกสาวอย่าตามใจตัวนะลูกนะมีกระตืก็ได้นะกนะ ทำอะไรอย่าเทื่อนอเทื่อนผงอชาเที่ยนนะลูกนะมันจะเสียหายนะลูกนะสอนอย่างนี้คือธรรม ะ, มะ่ใช่ลูกแล้นสังฆทานที่หนวหนูตาโน่เลยนะหนูน่าจะทำใครทำบูนใ่าิ้นสแต่ก็ก่้าตัวไม่ได้ขึ้นตัวเองไม่ได้นี่คือไม่มีธรรมะโดยธรรมชาติขอสาธยายโยมไปคิดและเธอทีวีไปสวนหมดมากรรมฐานนะ จองให้กอยอมพยื er er ые, um, ่นจองให้กอกป่วยจะตายไหมจองให้กอป่วยจะตายไหม m อให้กออนอยู่อย่างนี้ดัมินเนียนทำบุญเดี๋ยวทำบุญการวัดกันแล้วการโบสถ์ละก็ละแต่ไอสอนที่จะสร้างตัวเองนี่ทันมาโดยสอนนะน่าจะให้ปฏิบัติธรรมะว่าจะยังไรแหรว่าดีได้ยงไรแล้วลูกาจะเป็นวะนละพี่น้องส ไม่จำต้องกลา้ายกคนเกศถือถึงจะมีธรรมะไอ้เกศถือเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะมีแต่บุญไอ้เกศถือแต่คนยากจนเงินแพงเขามีธรรมะลูกไม่ลดละภาวานาลูกเป็นดอกเปอลูกเป็นเก ถ, ถือก็มาพ่อจนแา่จนเงินเอ่ไม่จนธรรมะไม่จนน้ําใจลูกเป็นใหญ่เป็นเตอ ม, มากมายแต่ เ, เมื่อหลังสู้คว้าเอาหน้าเอดยืนหาทินให้ลุกมาลูกเอื้อเปนดอกเปรอะ ลูกเลี้ยเต็มใหญ่เป็นตอแฉะสืบนานาโคตได้นี่คือเครธรรมะไม่ใช่เจ็บุญนี่จะมาบวชเอาบุญอีกแล้วบอกไปบวชที่วัดอื่นวัดนี้เขาไม่ยอมบวชเอาบุญก็บวชสท้างธรรมะสร้างตัวสร้างตนให้มีบุญหลักนะตัวสอนสอนสออันนี้สจะได้ได้มีการบวชประโยชน์ในการบวชอย่างนั้นไม่ใช่เบื่อคืนวตนนดในกองทัพคือเจ้วาดในองกวาดแลวกูดเถ้าไม่รักลูก สามวันเจ็ดเด็วนศุกร์ายบาไปเยอเลยเือดพระเขดูที่จิตจ้าวาดนะวันนีจิตเจ้าวาดนเชิะคุณจ้สอนแต่นูหลงอดเหือแรงงานพินนอนแเป็นพะไม่ใช่แน่นอนผิดหวังอย่าทิพลงเบื่อเสียดายเสใจด้วยถ้าจะได้บาปเราพิจารณาของเราเป็นจาระพัดนะที่ปาจารเรียนจมาหาอะไเรียนที่ทาจารย์เรเรียนนะ เราจึงต้ อ, าาองประโจ๋าขาเดียวในทวาเรียนถึงคิดาจ๋าข า, าได้จบใบเพศวิทยาการแต่ท่านยังไม่ได้วิาชาค้นทุกวิชาแก้ปัญหาคือธรรมะการเปนออกบรรพชาบวชในกาส น, า, น, า, น, า, น า, า, าของท่านแต่แหวงหามดมกรธรรมมาสอนชาวโลกไอ้พ้นทุกเพื่อแก้ปัญหาคือเตัวธรรมะบุญแก้ปัญหาม่หลักแร้งธรรมะธรรมะแก้ปัญหาได้ถึงจงมีความสักคือบุญวัฒนา มันจะพาจอนสอนอานิสงส์จะเรยได้ในนาคตการบนหน้าต่อไปมันจะมาบวชเ่บุญมาบวชนะเอาบุญเอาบุญตรงไหนเอาบุญตรงไหนบุญตรงไหนจะคิดเองนะบุญหรือบาปบาปหรือบุญบวชเี่ยววัดเชี่ยวัดตัดที่บาปเยเพิปนืสองไม่ทักระวังนะพูดเป็นสองบวชแล้วไม่ไม่ใช้มีสคือทิกาณาปใจเ ปฏิสังขารโยตปฏิสังขารโยาญาโยขาปฏิังไม่ได้บวชะุญบวมนุษา์ชาไม่ได้บวชละบุญโภชนาบัตรไม่ได้บวะุญบุตรีสมรสโนให้พ่อมะไม่ได้บวะุหลายวัดคือเขาบวชการเสียใจแทนกลับพุทธจายเะเกินแล้วพุจาสอนให้เพิ่เติให้เติมเติสอนเติให้ได้นี่คือเจธรรมะเพิ่มเติมไม่ได้เติมเติมไม่ได้สอนเติไม่ได้ ก็ไปเหยดมนุษย์บร uh, so <ơn S 1> ิโภคลอยลอยไปลอยมามืนงมาลายหาที <guessing? S 1> ่แขวนมาได้ก็ลอยไปอยมาแล้วอเพองมาลายไม่ตพองมาลายงมาลายเอ๋จะลอยไปไหนล่ะไม่มีที่แขวนเจ้าค่ะกาวก็ไม่มีที่เกาะก็ไม่มีที่เกิดเกาะให้ลึไม่ได้คือจิตธรรมะท่านผู้อฏิบัติทำทั้งหลายไม่เดือดร้มาหานม่เดวอดริษาเดือดรามาไหนใครมีบไมยินดีก็รับที่ดิน ผู้มีวัชนาที่มหาธรรมะแขวงที่ไร้ธรรมะขาดวันาบบาชนาขาดบุญกุศลไม่มีวัชนาบารมีคนไม่มาวันนี้แน่คงไปที่ไร้ก็โคตรนาการเชิ่มพันๆแล้วไปนอนแค่ไปบนญแคลาเพิ่มพันๆวันหนึ่งก็หกเอมเกิดเองโคตรนา เ, เทศกันมากมาเลยปฏิ บ, บาาัติธรรมะไม่มีเลยสร้างธรรมะ ถ, ถึงไม่ได้ก็เป็นผู้ต่างตัแล้วกล่าไปคุยการสนุกสนานนี่คขาจะหวังบุญเปนอย่างนั้น ม่น่าจะใคแย้งธรรมะเอามาใส่ใจเราแล้วไปช่วยลูกหลานให้ลูกได้ดูมือปัญญาน่าจะทักชนาชมไหมยอมขอถามด้วยความกิงใจทุกคนมือโลกไม่เอาไหนเนี่ยติดของขาวยาจะติดไปย่าแหบดูไหมดูเจ้าค่ะดู้าค่ะโลกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเสียงพ่อเสียงแม่ดูไหมก็ค่ะดูเจ้าค่ะขออันเนื้อ ในส่วนผู้มีบุญแบบนั้นแต่ผู้มือวาจหนาในธรรมะเขาจะสอนลูกโดยดีมากตรวดมลในลูกนะหลับนอนแต่เดี๋ยวนี้ลูกพ่อแม่ที่แยงบุญตรวจมลไม่เต็มล้ับาถึงก็มาด่พิธีกงก็มาด่พิธีกรรมก็มาด่าหาดวนะพิธีก็ไม่รู้เรืองเลยจะเชื่อลูกได้อย่างไรแล้วคุณแม่จ๋าแม่แบบแแผงแม่เป็ไหนเป็นตอย่างของลูกได้นี่คือใธรรมะ แบบและแผนแะ่แปลนแมาแผนผังแะคือจตธรรมะมันทำให้โลกละความเชื่อและพื้นดีเหมือนแม่แบบ แ, าาแม่แผนเชื้อชาตแม่บ้านกาเลื้ยงใช่หรือไม่ทาให้สามมือพ่อบ้านตระโตกล้นใจเตืนใจแม่สามมือเป็นเลี้ยงทางงนโลกละคุณแม่จังนะเราก็เนี่กว่าเขาเรียกแม่จะแค่มือของเขาเมียคือแม่แบบแม่คือควมแม่ใาญแม่เลือนงแม่เฉอเชียนให้ลูกอิ่น พอ่อตาสามมือจึงเรียกแม่เหมือนานางฤาสาขามหาอุบาสิกาเป็นลูกชายพ่อผัวแม่ผัวเรียกแม่มนะแม่วิษาขาเอ๋ยมาตาปิเตลาแม่ของลูกที่ดีแล้วสามมือก็เรียกภรรยาวิสาขาว่ามาตาเป็นแม่ของลูกที่ดีเรียกแม่ฝ่ายแม่ก็ให้เกียบสามมือว่าคุณพ่อ เลือกหัวเป็นพ่อเหลียงนี้มีออยู่มากคือคนบ้านธรรมะบ้านชื่อในคน้น้อในบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นมงคลเลือกหัวเป็นพ่อเลือกเมียเป็นแม่โมือทุกคนเล้ยเสียงบ้านธรรมะบ้านมงคลชื่อางบ้านเป็นอัปมาโคลัมีภรยาพะละกันสยาบุญโลกดีไม่ได้เลยว่ามือทาพาวยใช่คํายาบต่อัยา ภรยาเปลี่ยนหน้าขามือเลยเอ า, ด, า, า, า, นานดีไม่ได้พาเลียมาในบ้านั้นบ้านนั้นอาปลีกลายไร่โยมาไปคิดโดยเพื่อนบ้านขามือดีเป็นพ่อภรรยาเรียกคุณพ่อคุณพ่อก็ปลื้มใจเหมือนพ่อบ้านที่ดูชมซาดความดีนะพ่บ้านนะต่อบานจะเรียกคุณแม่ทาทานข้าวยางคาแมา่ไดยยิกก้มกับประจำนิยมของพ่อบ้านทีน่ขามือมาเรียกเ่าแม่ หลายจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเกินก็เป็นแม่ที่วีของครูต่อไปและเป็นภรรยาที่เป็นศักดิ์ศรีขวัญเรียมของพ่อต่อไปบ้านนั้นจป็นมือความโชคความสนุกในบ้านนั้นบ้านนั้นจึอเป็นมงคนชีวิตบ้านนั้นจึอไม่เป็นอาถรรไม่ใช่บ้านยักบันมานยาบ้านยักพ่อ้าไทยมันดีจนหนึ่ไปเสียบ้านนั้นจะไม่มีอาไทยซึ่งกาลการเรนี้ว่ายักษ์ ถึงจะหมดบุญญาสิ้นพ่อแม่ไปเสียอยู่คนเดียวเออตายชายทะเลตายจะยืนเสียงธรรมะมันอกแตกเคอยู่วัดยืนยาเออกมันจะแตวเธรรมะให้กเ็กูจะกดหัวนั่นคือนยักษ์ยืนเสียงธรรมะคนที่ีปัญญาได้ยินธรรมะม คนที่เหลือที่สดไม่ยินธรรมะเพนอาปะมงคลก็นนถือนางยักษ์อกแตกนางผีเชื่อยักษ์ชายก็ชายหาที่จังหวัดระยอมนันขอฝากเข้าไปทึกถุลละไภัยมณีอยู่ไม่ได้ต้องหนีจากภรรยาที่รักจำใจจําจากรักยังไงก็ต้องจากเธอเธอเป็นยักษ์จะเล่ตัวจะกินที่ไปกินจักรจำจักรมามากๆนายที่สดหาที่กินไม่ได้ก็จะกินพระอภัยมณี ถ้าใครมันอึจนหนึ่ยักษ์ถึงและบุดบุดยักษ์ก็ทาพ่อวอกไหววาลีก็เจอแม่เนียบจัดไปงเหตุผลมาจากงานยักษ์คือภรรยาถ้าใครมีเชิดดีภรรยาเหมืนแม่แม่บ้านที่ดีกละเป็นพ่าที่ดีเป็นขวัญใจพ่อขวัญแม่ขวัญ่อเปหมกว่าไม่ก็ ท่านจะได้ลูกแก่ลูกหวานประจําสุขประจําใจประจําบ้านประจําเมืองไม่ละทิ้งเพียงแค่การคิดท่านบ้านนั้นจมลึกจนแท้เกิดถือดหลายฟังและคิดในวันธรรม่อย่ามาแลบบุญกระเลยเอามะให้เป็นบุญบ้านท่านจอุ่นใจมือชี้ชี้ธรรมะถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นกถึงจะเป็นผลงานในชีวิตท่านเอง อฝากผู้ปฏิบัติกรมาถานที่มาสวรหานี่มาสวหาทั้นนง่าจะบุญฝากคู่โสม่านั่งกรมาถานลอยหน้าลอยตาแล้วเป็นบุญกลับไปไม่ใช่เหรอกระบาดนะไม่มีะตกคิดทำมากแล้วสติคิดลวกเลิกดำเนินงานลวกเกและลก็ตรงประกอบการจะเรียกว่าทำมะกเป็นการประจัญบ้านของท่านบ้านพี่บ้านท่านกระท่อมจะเป็นบ้านตึมาลายบ้านใหญ่โตมันวั แต่เดิมเหยีอนใลูกท่าุยยืนเป็นในนาก็ตะการถ้า่าต่อการไม่ต่อการให้ลูกนี้วามโชกไม่เป็นไรนะต่อการไม่ลูกท่นติดโงเขาลแหงกเทาไม่อยากายก็พอไม่ดีทะเลาะการให้ลูกไปยืนถอนดาบการทะเลาะกันให้ลูกไปยืนทยาทายของคอทำประนามของแม่ลูกจะเสียหายอย่างหน้าเสียดายต่มาเป็นหัวนาคอยคนเดกเป็นขวานเด็ก แมอยากให้สวงบุญอย่างนั nichts. ้นสว่งอาธรมากอาจารย์มมั่งเลยไมองเสียเอมากในทางไปหาพระหลังหาไดไหนมีอมือแม่อใจใส่พ่อแม่อยาาแหน้พ่อแม่ก็ดยาาแค่พาไปหาพระล่อนหาพระแบบนี้จะพจาจณาสอนพ่อแม่เป็นการหลังหันของลูกจะพิจาราสอนพ่อแม่เป็นการปฏิบัตของลูก เ ว, า, ว, วาที่จะจะสอาหลับอ้อมแม่เป็นชับโนของลูกชยยายหรือแม่เราจะไหาพระที่ไหนเลี้ยดูกว่าพ่อแม่เราบางทพ่อแม่กำลังเสียดอยู่เนี่ยจะตายแล้วเนี่ยบางเสกจะหาพระรับเทวับนู้ไปหาพระหานพึ่นพ่อพแม่ดูอ่ห้องแห้งแห้งเ่ยบาว่ายังไงไปพูกมาไปยื้ อ, อ, อไปเข้าใจเข้าใจขอจาก้วยความซึ้งใจและตริงใจ จากวาหยุดใจดำในใจดีมีปัญญาคนใจดำมันก็ไปโลกหนึ่งคนใจดีมีปัญญาใจดำมันหยุดในที่โมทารุนดูร้าย่ากาเจลิดจนทรตายหัวเหียก็ขาดนความด้ใจดีมีปัญญาจะไม่จมเงาตาไม่จมเมตาจะชนาความรักม e <plantation. S 2> <t ay konuş> ือละเลื่รักษากนไปทังตายอย่าลอลุ่งตะค้นความกะเลยอมใจยอม อย่าลผัวเมียเลยอย่าชุตามไหนได้กั้คือเอาดีให้ได้พาไปมเยไหมอย่าลักล่อลืมไปชิ1 1่วาละยาวทางเลยโหลดลเอกลลื1 1ัารช่วยเหลือกันนักนิดาหน่อยให้ไทยกานี่นันาเป็นอย่างนี้มจะมานวันคือะสอบไม่ยาไม่ขึ้นนะยาองไปสวัเสียใจนไป้ ต้องสอนพื่นถามคือธรรมะคนนี้ติกตหนดดได้คือธรรมะคนนั้นจะลดละภาวนาจะละเพื่อจะพึ่ดูละสจิตตใจได้จิตใจก็บริสุทธิ์บุญก็มาแต่ภยหลังบุญไม่ต้องขยัญหาธรรมะปฏิบัติได้บุญจะมาเองด้วความจุกใลก็คืโยมจะยมถ้าลูกเรียนเติมเรียนภาวนายอมมความสุขหมถ้าลูกยงมตัแตกแล้วมาเีนอังสรยอมมีความสุขหรือความทุกข์ อจงรื่อมาบวกหานก็ดู้ึกอยากึ้นายพ่อีทูช่วยโทระยอมตั้งการลูกเขาเป็นยางนั้นก็ไม่เป็นไรทตน า, าก็เสียใจแทนโยมเป็นแม่เป็นพ่อครับเป็นนาที่ได้พอถือ 11, 11, เกดแม่ถือเก็ดอาจารย์ใหญ่ลูกเ็ยาเกิดติดสามคนหมดบ้และถือข้าเช่นะัมีความหมายอยู่นิดหน่อยเป็นนาที่ไดม า, ากการเจริญวิปัสสนากรร ม, มาฐานให้เกิดปัญญา วงธรรมะธรรมะปฏิบัติได้แล้วยมจะมีความเชื่อมือการเจริญจะให้อภัยภรรยาได้ภรรยาก็ให้อภัยสามีได้เพราให้เกียรติกันและกันจะไม่เหยียดหยามกันจะไม่ดูถูกดูหมิ่นจะไม่ขัดกันและกันนี่คือเถธรรมะยมก็มีบุญรักนาสามีภรรยาคู่กันดูมีอยา มันสะสมบุญน้ําความศุกมาให้คือศุธธรรมะบ้านโยมจะไปบ้านเศรษีเงินจะไหลนองทองไหลมาในหน้าที่การงานโยมมือธรรมะถึงทันดีสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจุตก็ดีม่เป็นโลกอากาศโยมมีอธรรมะถูกดีแล้วควกคนณุึได้แล้วโยมมีสุขภาพดีทุกประการ งานก็เจรินเดินเรื่องนี้งานเดินเงินก็ตางานชักโครก็ดีเป็นข้อสุดท้ายมืเงินมือทองที่มองมากมายใจกอต้องาักมือหน้ามีตาใช่หถ้าไม่มีเงินงานชักโครกไม่ดีไปไหนก็ไม่มีมองนะไม่มีใครก็มองหน้าวายซึมเลยไม่นี่คือชัวร์ทำมะฟังแล end, into Finanz, into teams, into groups, into ้วไปชิดเอาเท้าใครตากันบางจะมีประโยชน์หลือเกิน ไม่ใช่งานกรรมฐานให้ยานชิดงานกรรมฐานแลกไปสว่างนิพพานบาแล้วยองกระจกที่กินมาจากอาที่ไทยม่จะดว่ยระมาสอนเด็กบอกที่ส่วนของเธอต้องใส่จะห้องนอนเธอห้องน้องเธอกับท้องเธอจะเป็นอย่างไรจะทูองซุปดูการสวดมีสาลูกหลานลูกสายอย่างนี้มากมายลูกเอ๋ยเชื่ออย่างพ่อไว้ถ้าไปลูกอย่างพ่ออย่าเดียวสร้างธรรมะคือความดีเ้าไปลูกเขาหลวงพ่ออย่าเล้วรถเชื่อว แต่ประการใดลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีลูกหน่งลูกหวานลูกเงินคนบ้านแล้วก็จะไป็นลูกที่ดีที่จ้างบานเลืองให้เจริญปรมาจได้และราชินีแมกและพระแม่จ้ามือถ้าคือจใดมาสอนเด็กพ่อแม่นะตะสร้างบานเลี้ยงให้ยุ่งยิ่งสุดกนะต้องสร้างข้าพยินใหญ่มาลูกนะเตินใจม่เตินใจมาก สมเหตลายเสลูกอาหรว่เขือไม่วายทอนแม่ลูกได้าพจากพอดุเหวินพระลักษณดีดามาด้ดยมากราที่ชายสาเหตที่การสนามแยกตามมาเห็นเวลาทุ่มฤกษ์ทังโอรสาที่ราชประเทศแลพรนางลัธิดาพระธิตาแอจุุลาทอวียนเข้าไปปราทที่ชายเป็นาพที่ซึ่งใสงรางสนามแยกกลางถนนสามารถจะราพระลักษณีามได้สามห แล้วก็ลูกใครวายหัวพ่อแม่พอมาเข้าไปเอาไหนยกมือกัลับมือกับลูกโรวขึ้นขนาดนี้ดูเลยพ่อแม่ยังไงเจ้าพ่าจะพยินก็กลาพ่อแม่เขาสามหนใช่หรือไม่หลงจากขึ้นบึงเพราะจะดีดามานได้เรามาวุ้นโร่เข้าไปปราบพี่ชายผันทีเป็นผ้าที่สุนใจแค่แต่หมาเมื่อลูกเจ้าพ่อจะพยินก็กลาพ่อแม่สามหน ไอ้นีคนคาถาซึงใจของพระอร์พระราชามาสอมเด็ไปโรงเรียนกราบพ่อแม่สามนขอถึงนระพนะลูกนะไปโรงเรียนก็ไหวครอบาอาจารย์นะลูกนะอย่าบังอาจกครูทาเจอคนเกเร่คาเจอพะานมาจับตามาลูกนะนี่สอนอย่างนี้นะคือธรรมะไม่ใช่บุญที่ไปหากันมาตามวัดไปตามวัดใดเสียใจด้วยจะมาได้จะกระมาทจะทาคำม คนของเขาไม่ดีอยู่ก็มารักษาของขาคนจะพาไปหาคนรักษาไม่มีไปกล้ามาถวายให้หมาชื่อวัดแล้วทีวหมาจชื่อก็ม่รู้ถ้ามาถวายก็ลงทุนลงแรงมาไม่รักษาขาไม่มีใครของเขาไม่ดีมีเงินเงินสองเดือนนั่เขาแหมดเื่อยของมาถวายก็เวียนไม่กระจายคนใช้มาดีคนอยู่รักษาของมาดีคนไม่อยู่ในรักษาของเขาถูก จะพาอหาคุณาไม่มีไปส้างไว้มาชื่อโยนไปฉลอมบุญต่อไปขอนมโทนาสาธุการเสียดบุญมาทุ่สนส่วนนี้จะไปท้าความหลังทั้งจกคุณทำมาเทียร่ามาโชลกข้าพโยเป็นเลานานโชยชดใช้ไปมาจาได้ชึ้งมดจะไปเท้าความหลังที่ยราเคอยู่มาได้ของมือจะตั้งแต่เชื่อถ่ายมาจะไปอสถานคือลังไม่าได้ยังไงโลกอดทนกันจึงหนบ้าง แลจะแก้ปัญหาย่งไรนี่คือธรรมะแก้ปัญหาได้บุญงเรจะแก้ปัญหาชีวิตได้ตอามจะมีความสุขความเจริญถ้ามีลูกมาดูโยมจะเสยใจ้นะมไม่าสอนทั้งชีวิติรไม่ไม่มาแต่การเอเมเรืองไปมาเขาสนใจกามาเใครามาถวายไม่ซื้อส่งดข้าหากอบไปเลี้ยงด คือฮัลยากจนไม่มีข่าจะพิงมาโรงเรียนองคนี้ช่วยการธนาคารนะช่วยน้าประชาชนคือน้ามันจะไม่มีจะพินนะช่วยโรงเรียนไม่มีง้ำชายน้ำฉ่อยเราจะได้ช่วยหนุนพ้งใจตายตาในสัมภาะเจะได้มีการช่วช่วยกันด้วยธรรนะช่วยกันด้วยเหตุผลช่วยกันได้สร้างปุชนเลื่อนกันเมดปลาปลาในยาดีเรือขาดเรือพายุการเทิดเกษตรชน ญาิยที่รักทั้หลายเอ๋ยญาติพี่น้องทุกคนโปรดยอมรับหัน้าเข้ามาหาการศึกษาตลอดเป็นญาตพี่น้องในศาสนาแต่ไลอย่าหันหลังให้กันเลยจงสร้างจักรูให้เป็นมุอย่าสร้างมุดให้เป็นจัรูเลยเพราะญาตได้คือตัวเมตตาเป็นตัวทํามะไม่กลธใครแล้วคือเมตตาจะไม่เกียดใครแล้วคือเมตตา จะไม่ปูกพยาบาทจะ่ท่านผู้ใดคือเมตตามีตัวเดียวคือธรรมะจะไม่สังใจโกรธใครและปูพยาบาทใครต่ อ, อ, อ, อ, าาอไปเป็นอาโหติดรำคือตัวเมตตาเป็นอาโหติดจำได้ตอนที่ไม่มีเมตตาขาดจะบ้างมดแหละโยนจาโหติรรมให้ใครม่ได้จะก้าจปเว้นจำต่อไปขอความสักดิ์ด้วยธรรมะขอความเจริญรื่องเรือนวัฒนาศรัาพรด้วยการแก้ปัญหาในธรรมะขอท่านจงเ จ, จเริญ ทั้งลูกหลาไม่ชอบคือจชมเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะชล ะ, ะปฏิภาณสนาดหาานฉันบัดเนื้อชื่อถือนประการใดสมความมุ่งมาจากฉันนด้วยการชงลูกสิดนานนาโอกาสันี้เธอ